ทำใจให้สงบก็จะพบความสุขแท้ตั้งจิตให้แน่วแน่อย่ายอมแพ้ใจตัวเองมานะให้ถูกที่ก็จะมีความหันษาทุกอย่างเป็นธรรมดาพึงรู้ว่าน่ายินดีมีธรรม ประจำจิตก็ไม่คิดหลงฟุ้งซ่านก็จะหมดทุกทรมานจงรู้การรู้ตัวเราวิวัตตา ชีวิตของเราเนี่ยมีกายกับจิตกายกับจิตเป็นสิ่งที่อยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีมากแต่ถ้ากายกับจิตเนี่ยเขาไม่สามคัคคีต่อกันแล้วก็มันก็จะไม่เป็นชีวิตแต่นอกจากกายกับจิตแล้วเนี่ยเราควรจะมีหลักของชีวิตจะเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตก็ได้ สตนนิน่สติคือคู่ชีวิตถ้าว่าเราขาดคู่ชีวิตคือขาดสติซะแล้วเนี่ยเราอาจจะมีชีวิตที่ไม่ปลอดโปร่งอาจจะมีปัญหาถึงเม้ว่าเราอาจจะมีปัญหาในชีวิตบ้างไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติ มีคู่ชีวิตเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ยก็จะถูกแก้ไขไปได้เพราะฉะนั้นเราลองมามีคู่ชีวิตของเราสักหน่อยมีสติมีความรู้สึกตัวอยู่ที่ใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามจะนอน จะนั่งจะยืนจะเดินจะดื่มจะเคี้ยวจะขับถ่ายหรือประกอบภารากิจอะไรก็ตามเนี่ยเราลองมาให้คู่ชีวิตของเราเนี่ยมามีส่วนร่วมรู้ร่วมจิตร่วมใจของเราคือมีความรู้สึกตัวในการกระทำดัานั้ น, น, น รู้ที่กายเคลื่อนไหวในการกระทำรู้ที่ใจมันคิดมันนึกอุลามันเกิดอารมณ์ขึ้นมากายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยกายทำอะไรขอให้ใจนี่มันทำด้วยจิตใจมันคิดอะไรอยู่ก็ตามให้มีสติเนี่ย ร่วมรู้ร่วมคิดไปด้วยอันนี้ลหละจะเป็นที่พึ่งของเราการเจริญสติเนี่ยถ้าจะให้ได้ผลขอให้เราทำอย่างต่อเนื่องในทุกอิเรียบทตลอดทั้งวันอันเนียสติจะมากขึ้นเรื่อยๆจะเป็นความเคยชินกำลังขับรถอยู่ก็ดี กำลังคิดนึกอะไรอยู่ก็ดีเนี่ยเราก็สามารถที่จ ะ, จะเจริญสติได้เนี่ยแต่ก่อนนั้นเราอาจจะไม่มีความเคยชินที่จะมีสติเราเคยชินอยู่ที่การหลงลืมสติปล่อยจิตปล่อยใจให้เตลิดไปกับอารมณ์ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้เราลองมา สร้างความเคยชินแบบใหม่คือเคยชินที่จะรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการกระทำในการดำเนินชีวิตของเรานะพยายามทำกันให้ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถมันอาจจะหลงลืมสติไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปทุกข์อย่าไปเครียด น่าลักคือชีวิตจริงของเราแต่เรามาสร้างชีวิตจริงใหม่ๆคือหลงไปแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่มีสติใหม่อันนี้ไม่ผิดอันนี้ไม่บาปการจะทำชีวิตของเราให้มีสติอยู่เสมอเสมอนั้นอาจจะต้องมีเทคนิคสักหน่อยหลายคนอาจจะนึกว่า เ, เราจะปฏิบัติให้มันต่อเนื่องทำอย่างไรมันเป็นสิ่งที่ยากเย็นมาก ไม่ยากผมบอกแล้วไม่ยากมันยากที่ความคิดของเราต่างหากเราลองทำ ด, ดูิเมื่อมันหลงไปเราก็รู้มันไม่หลงเราก็รู้เนี่ยให้มันต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อย่างเงี้ยขอให้เราทำตัวของเราเนี่ยช้าลงสักหน่อ ย, ยตัดจังหวะชีวิตสักนิดนึง คือช้าลงสักหน่อยบางครั้งเราไม่จะเป็นต้องเร่งรีบก็ได้ใช่ไหมเราทำช้าๆสักหน่อยในการใช้ชีวิตของเราแต่อย่าช้ามากเกินไปนะมันจะผิดธรรมชาติจะเดินจะจับจะช่วยจะดื่มจะพูดเนี่ยคอยทิ้งจังหวะให้ช้าลงสักนิดนึงเช่นว่าเรา ก่อนจะหยิบสิ่งของเนี่ยหยุดสักนิดหนึ่งแล้วก็ค่อยหยิบเวลาเราจะเปิดประตูเนี่ยเดินไปถึงประตูแล้วเนี่ยก่อนจะเปิดหยุดสักนิดหนึ่งแล้วก็จับลูกบิดเปิดประตูเวลาเราเดินไปก็ตามเนี่ยเราลองเดินแบบรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่การเดินบ้าง อย่ามุ่งแต่จะถึงอย่างเดียวสม่ารเราไม่ได้ทำหน้าที่เดินพอเดินใจเราก็คิดว่าจะถึงเมื่อไหร่มองไปข้างหน้ามองแต่อนาคตเราลืมปัจจุบันในการที่เรากำลังก้าวเดินเราลองช้าสักนิดนึงมารู้อาการของการก้าวเดินอยู่ปัจจุบันอยู่การเดินเดินเพื่อจะเดินทำหน้าที่เดินเดี๋ยวมันก็ถึงเอง ทำชาสักนิดหนึง่งแล้วก็ให้สติมันเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบเป็นจังหวะจังหวะนี้ก็อาจจะเกื้อกูลต่อการมีสติได้ง่ายๆการเคลื่อนที่การจับชุ้ยสิ่งของเนี่ยทำเป็นจังหวะสักนิดหนึง่งจังหวะที่มันหยุดและก็เคลื่อนนี่แหละทำให้สติมันเกิดได้ง่าย ก่อนจะทำ ก, ดด ก, ดทำก็ดีให้หยุดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยทำก่อนจะพูดให้หยุดสักนิดหนึ่งเพ้สติมันเกิดแล้วก็ค่อยพูดไม้กระทั่งก่อนจะคิดหยุดสักนิดหนึ่งแล้วค่อยคิดช่วงจังหวะที่หยุดนี่แหละสติมันจะเกิด น, ะ น, นละขอให้เราทำแบบเป็นธรรมชาติย้ายผิดจากธรรมชาติ เราเคยทำอะไรเร่งรีบมานานแล้วเราลองมาทำช้าๆสักหน่อยการช้าในก็ดีนะสติมันจะเกิดง่ายเรามักจะใช้ชีวิตแบบรีบร้อนรีบเร่งเราอาจจะรีบได้ในบางโอกาสในบางกรณีแต่เราไม่จะเป็นต้องร้อนก็ได้เรารีบแล้วก็เย็นก็ได้รีบอยู่ข้างนอก เย็นอยู่ข้างในนี่แหละจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ร้อนรุ่มไม่เครียดทำตัวตามสบายสบายทำให้ต่อเนื่องกันในทุกอิริยาบถมันจะหลงลืมไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกมันลืมเราก็รู้กลับมาตั้งสติทำความรู้สึกตัวใหม่เจตนาเคลื่อนไหวเจตนาใส่ใจที่จะรู้สักหน่อย ถ้ามันไม่ชัดมันจะเบลอเลอไม่เป็นไรหยุดแล้วก็เคลื่อนไหวมือของเราเล่นๆกระดิกนิ้วถูนิ้วมือกำมือแบมือพลิกมือเล่นเนี่ยตั้งหลักตั้งหลักสติเรียกคู่ชีวิตของเรากลับมาคือสติบางทีมันเกิดความคิดนึกอะไรก็ตามก็ไม่เป็นไรอย่าไปห้ามมันคิดเราก็รู้ มันคิดไม่ดีคิดแล้วเป็นทุกข์เราก็รู้สลัดความคิดนั้นออกไปนะโดยการรู้สึกตัวบางครั้งเราคิดไม่ดีหรือเป็นทุกข์ก็ตามบางคนบางท่านมีสติรู้แล้วว่าเราคิดไม่ดีล้วสามารถเอาชนะความคิดนั้นได้ก็คิดนั้นดับไปแต่มันมีความคิดชนิดหนึ่งที่มันซ้อนขึ้นมา คือความพอใจความดีใจที่เราเอาชนะความคิดนั้นได้เนี่ยเราไปเพลินแต่ความดีใจแล้วเราต้องมีสติรู้ต่อไปออนี่เราดีใจแล้วนะเรายินดีแล้วเนี่ยรู้ให้ทันต่อไปอย่าตกหลุมพรางของความยินดียินร้ายคือรู้ให้ทันรู้ให้ต่อเนื่องการปฏิบัติที่รู้ให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นี่แหละตัวเป็นการปฏิบัติที่ได้ผลที่สุดเลย พระเจ้าถ้าทรงตรัสไว้ว่าใครก็ตามทำสติปัฏฐานสี่ให้ต่อนเนื่องกันในทุกอิริยาบดตลอดทั้งวันเนียผลก็คืออย่างช้านะเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดหนึ่งถึงเจ็ดวันจะเป็นพาาระอรหันต ในชาตินี้แต่ถ้าไม่เป็นพระหลานแล้วก็เป็นพระอนาคามีซึ่งเป็นพระริเจ้ารองลงมาวันนี้เป็นวันพระรหับที่สิบเอดเดือนที่11บเอเป็นวันพระด้วยเราลองมาทำความรู้สึกมีสติให้ต่อเนื่องในทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งเนี่ย ลองทำดูสิเราอาจจะมีผลถึงขนานดะเป็นพระราคามีหรือเป็นพระอ่านก็ได้นะท่านผู้ฟัง